อืมธรรมวัดจบแล้วก็ฟังธรรมต่อในเรื่องที่จะ <c oughs> เสื่อของคนเราก็คือกายกับใจทุกคนก็มีกายกับใจแต่กายกับใจไม่ประดับ อาบัตินั้นนรกเตชุละกายที่ลักษณะเป็นภูมิที่ ก็ดูแลตัวเองให้ดีจะต้องหลงอยู่กันน่ะจะต้องฝึกอยู่ 2546 วัน endeavor ครอบคล้องโอกาสดีนาทีทองมาถึงพวกเรา <c oughs>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 เรเราก็ไม่ใช่ตัวเราคนเดียวที่วาอารามมีพระสงฆ์องค์เจ้ามีวิธีที่เป็นรูปแบบกันปฏิบัติเป็นตัวเป็นตน ใครเราไปต่อ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 ถ้าถือชื่อถืออาจจะไม่ถึงมันลองถือห่อคราบอาจจะไม่ไปอี้บสักก็ไม่หาต้องถึงต้องกินลงไปต้องดื่มหายนะถ้าถึงแล้วน่องจึงเป็นผู้ถึง ก็เกิดปัญหาผมรู้สึกความลึกได้อ่ามันก็ค่อนข้างยากมาเลือกวิสัยที่เราจะทําได้โดยพอแล้วเขาเจริญกันการปริยัติสาสนเลยเราขดขั้ว ตัวนี้ผ่าตัดเขายกหัวใจออกไปไว้ข้าง ยังทนอยู่ที่เก่ายังมาทุกข์ยังมาหลงยังมาแล้วถ้ายังหลงอยู่ก็ถือว่าล้าสมัยแล้วถ้าทุกข์ ความไม่โกรธเป็นธรรมเนี่ยมันพัฒนาออกไปไปแล้วไปถึงโลก ของพ่อนั้นคนนั้นบรรลุธรรมเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอันนั้นมันไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของ มันเป็นความเป็นเป็นสิ่งที่ทางของชีวิต จะไปโดนสุขจะไปโดนทุกข์จะไปกินดีอยู่ เป็นผู้ร้อนเป็นผู้หนาวเป็นผู้สุขเป็นทุกข์เป็นผู้หลงเราก็ก็หลงทางไปได้ถ้าเห็นแล้วอยู่ในภาวะเป็นกาลเป็นธรรมเราจึงมาสร้างความรู้สึกผัวเพื่อดูเพื่อให้เกิดภาวะ เมื่อเรามีตาถ้าเราไม่ลืมมันก็อยู่ในมืดอยู่ในความมืดถ้าเรารู้จริงก็เห็นแต่ใช่อะไรใช่จะไม่ประโยชน์เดินจาก ถึงจุดตายปลายทางทางของชีวิตจิตใจหลอกตาภายในดวงตาภายในคือความรู้ ความโกรธความทุกข์มันก็เกิดอยู่ที่ใจความโลภความหลง บางว่าเขาผ่านเขาผ่านหลักสูตรมาๆว่าเขาผ่านหลักสูตร ไม่ได้ได้อ่าว่าอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีใช่ดูแล้วเป็นกฎกาลแต่สิ่งที่เป็นอิสระสื่อตัว แต่ถ้าเราเป็นเราก็โง่ต่อไปเรื่อยๆความหลงก็กลายเป็นความหลงไปเรื่อยๆ เป็นบวกกันมีตัวรู้เป็นหลักเป็นดับเบิ้ลหลงไปเรื่อยๆก็ถ้าเรามีความรู้สึกตาดูอะไรที่ผ่านมาเรา ถ้าใช้เป็นอ่ะใช้ พระสงฆ์ที่สุกโตแล้วก็ขนขอยและเลข มันมีส่วนไหนที่ทําให้เราหลงสิ่ง ผิดวัดวิธีวัดก็เพื่อการนั้นนี้ไม่ใช่เพื่อศักดิ์สิทธิ์อะไรถ้าศักดิ์สิทธิ์ก็เป็น 9 แต่ละ แล้วก็เหยียบลงไปบนดินก็เหยียบลงไปบนดินตะกี๊แต่หรือรู้จากรู้น้อยๆมันก็ต่อไปเต็มยาวเป็น ใช่สมองใช่ใช่ผลไม่ใช่หรอกตัวปริบัติเป็นตัวกระทําเป็นการกรรมเป็นกรรมฐานกรรมฐาน กรรมน่ะพอตติโลกรู้สึกตัวสัตว์โลกย่อมเป็นไปตาม ผมกำลังจะสร้างความรู้สึกตัวเมื่อ พรรณกัลโลยืนอยู่ณทาง 4 แพทแล้วจะไปทางไหนมีสิทธิที่จะไป แต่ว่าสุกโตได้ขอเชิญชวนข้าง อาบายภูมิเป็นภูมิที่ไม่เจริญเป็นภูมิที่ไม่ มีสิ่งที่ให้ทํามีสิ่งที่ให้ดูคิดๆเดินตรงกลมยกมือ ให้อยู่ใน ต้องการให้มันไปมันไปไม่ได้มันลื่นดึงไปต้องความไม่เจริญไม่เกิด เอาลึกถึงไม่สิ้นเผื่อมพลังงานความหลงทั้งห่าที่สิ้นเผื่อมพลังงานความรู้ถึงตัวน่ะไม่สิ้นเผื่อมสัมผัสดูแล้วสบายสบายไม่มีไปเป็นเรื่องเป็นราวก็ ห้ความรู้จักตัวมันอยู่กับบ้านกับเรือนมันก็คนมีแต่บางทีมันก็ไม่พอใจชอบคงชอบแปลงไป ก็เที่ยวก็ไม่ฟังโสตถ์ก็ไม่มีที่ ว่านัตถิสันติปรํสุขํสุขอื่นไม่ใช่สงบแบบไม่ได้ ความเหมือนเวลาท่านว่าความเย็นอยู่ในเตาหลอมเหล็ก เพราะว่าเคยสร้างจริงพร้อมมีความพร้อมหรือว่ามนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์สมบัติแค่ได้ทันสังขารเขาขยัน <c oughs> มันถึงจะพอชายอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพารมณ์มันเป็นปฏุขแห่ง เราใช้ตาเราใช้หูเราใช้จมูกใช้ลิ้นใช้ตาใช้ใจ ออกเป็นทาสตั้งความรู้นี่ก็พูดไปตัวมนุษย์ไทยออก <c oughs> เป็ดป่าไม่มีคําพูดถ้าพูดอะไรก็เป็นสมมุติปัญญากรมัตต เมื่อเราตีคือตีครั้งด้วยมือของเราด้วยตะปูด้วยพร้อมของเราเราขึ้นไปนั่งได้ตีแล้ว ข้อสอบถ้าเราฐานเขียนเลือกฐานอีกฐาน ก็เอ็งเขียนอย่างงั้นวันนี้ไปสอบอุปชาไปสอบ โอ๋ผมผิดแล้วผมผิดแล้วผมผิดแล้วผมผิดแล้วผมผิดแล้วเพราะผมไม่สอบตกกลับบ้านก่อนประกาศเพราะว่ามันตกอ่ะแก้ เพลน่ะพะธนาตรงนี้แพ้ก็แพ้ตรงนั้นเวลาได้ที่มันลงรู้สึกตัวพอดีพอผ่านไปได้แล้วผ่านความหลงด้วยก็รู้ผ่านความทุกข์ด้วยก็ มันจะไปได้ยังไงตัวไม่แก้กุญแจไม่ไขสิ่งเหล่านี้มัน เหมือนใบมีดรถแทรกเตอร์ผ่านไปตรงไหนก็เป็นทางความ มันใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์เลยเอารอยเท้าของสัตว์นั้นเดินมารวมลงที่ ความโลธจากตัวความโลธจากตัวจนถึงที่สุดพระองค์ แต่ต้นเจ้าตอนนี้พวกเราถ้าจะเป็น มายังกันเตระไหว้พระเราก็ไหว้